ยาีเรียเรื่องหลวงพ่อพรัษไม่ผือหลวงพ่อพรัษเป็นคนปากใต้โดยกำเนิดมีนิสัยรักความสงบมาตั้งแต่เด็ก ไม่มีนิสัยเกเรทะเลาะเบาแว้งเป็นปากเป็นเสียงกับใครโดยเฉพาะการชกต่อยข่มเหงรังแกกับผู้อ่อนแอ ก, กว่ายิ่งไม่มีเลยท่านเข้ามาบวชไม่อยู่ในวัยกลางคนหลังจากที่ลูกชายหนึ่งคนลูกสาวหนึ่งคนของท่านแต่งงานมีครอบครัวไปแล้วส่วนพัญญาของท่าน เสียชีวิตไปก่อนขณะที่บุตรทั้งสองยังอยู่ในวัยเรียนเมื่อมาบวชเป็นพระชาวบ้านเรียกท่านตามภาษาปักใต้ว่าพ่อหลวงพระรัตก็คือหลวงพ่อพระในภาษาไทยกลางนั่นเองคนพื้นบ้านปักใต้เรียกพระที่เป็นหลวงพี่ว่าพี่หลวงเรียกหลวงตาว่าตาหลวง เรียกหลวงพ่อว่าพ่อหลวงบางทีหลวงพี่ศึกออกมาแล้วน้องๆยังเรียกว่าพี่หลวงเมื่ อ, อย่างเข้วไวยชรามีพันสามารถประกอบกับความมีนิสัยรักสงบของท่านเวลาชาวบ้านมีปัญหาขัดแย้งขัดใจกันท่านจะเป็นผู้ประสานไกลเกลี่ยคลี่คลายให้เรียบร้อยเกือบทุกราย ท่านมักจะใช้คําพูดว่าไม่ผือโยมไม่พรือมไม่ผื อ, อคาว่าไม่พรือในภาษาใตา้คือไม่เป็นไรชาวบ้านจึงชอบเรียกท่านว่าหลวงพ่อพรัะไม่พรือหรือเรียกสั้นๆว่าหลวงพรัะไม่พรือครั้งหนึ่งอุบาสกท่านหนึ่งเจ็บใจที่ข้าวในนาซึ่งเก็บเกี่ยวผูกมัดเป็นเลียงไว้กลางนา ถูกขโมยไปจำนวนมากจึงมากราบระบายกับหลวงพ่อว่าเราทำกันเหนื่อยเกือบตายมันขนไปสบายสบายหลวงพ่อบอกว่ามันก็ไม่สบายเท่าไรหรอกมันขนไปมันก็หนักเหมือนกันไม่พร่ยโยมมันขโมยไปได้แต่ข้าวที่นาเรายังอยู่ โยมอีกคนมาบอกว่าจอบมาเพิ่งซื้อมาใหม่ๆใช้ได้ไม่กี่วันก็หายแล้วหลวงตาว่าไม่พรือโยมจอบไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่เปลี่ยนมือผู้ใช้เท่านั้นอีกครั้งหนึ่งมีคนมาบอกหลวงตาว่าไปซื้อของในตลาดถูกล้วงกระเป๋าเงินหายหมดเลย หลวงตาบอกว่าไม่พร่โยมเงินไม่ได้หายไปหมดมันหายเฉพาะเงินในกระเป๋าเท่านั้นเงินที่บ้านที่ธนาคารยังอยู่และที่จริงเงินไม่ได้หายแต่เงินมันเปลี่ยนเจ้าของนกมาจิกกินกล้วยต่อหน้าเนนเนเนใช้ไม้คว้างไล่นกพร้อมกับออกเสียงไล่ ไปให้พรอนไอ้นกพวกนี้กล้วยเขาเก็บไว้ถวายพระไม่ใช่พวกเองหลวงตาได้ยินบอกเนนว่าไม่พื้นเนนแบ่งให้มันกินบ้างนกมันปลูกกล้วยไม่เป็นมันไม่มีเงินซื้อกล้วยไม่มีใครถวายกล้วยให้มันด้วยมีคนมาบอกหลวงตาว่ามีคนนินทาพ่อหลวง หลวงตาบอกว่าไม่พึ่งเขาพูดถึงเราเขาพูดเรื่องเราแสดงว่าเราก็เป็นคนสําคัญโยอมมาฟ้องว่าพระอายุกันยังไงเนนชกต่อยกันในวัดหลวงตาบอกว่าไม่พึ่งชกต่อยกันในวัดดีกว่าชกต่อยกันนอกวัดจะได้ไม่น่าเกลียด หลวงตาเห็นแม่ชีจับแมวขังไว้จึงถามแม่ชีว่าจับแมวขังไว้ทำไมแม่ชีแม่ชีบอกว่ามันนขโมยกินอาหารในครัววัดหลวงตาบอกว่าปล่อยมันไปเถอะแมวมันไม่รู้กฎหมายไม่รู้ศีลหา ยอมได้ข่าวหลวงตาอาพาธจึงมาเยี่ยมและปรารบว่าเมื่อวานยังดูแข็งแรงอยู่เลยวันนี้ไม่น่าป่วยหลวงตาบอกว่าไม่พื้โยมไม่ป่วยวันนี้วันหน้าก็ต้องป่วยเพียงแค่เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตเราก็เปลี่ยนได้